หลักการฝึกสมองเรื่องปฏิบัติสมาธิเพื่อเอามรรคผลนิพพานนี่เอาเก็บไว้ก่อนเอากันเป็นว่าปฏิบัติสมาธิเพื่อปลุกจิตใต้สำนึกให้มันตื่นขึ้นมาเมื่อเราปลุกจิตใต้สำนึกให้มันตื่นขึ้นมาได้เราจะรู้สึกเหมือนว่าจิตของเราเนี่ย มันมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลามันไม่เผลอเมื่อเป็นเช่นนั้นความทรงจำมันก็ดีหัวคิดสติปัญญาก็ปราดเปรืองคิดอะไรทะลุโปรงไปหมดเช่นอย่างหลวงตาไปเทศพอขึ้นต้นพอว่าไปได้สักถ้าเขียนเป็นหนังสือก็ได้สักสองสาบรรทัดพอหลังจากนั้นไป คำเทศมันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาจบประโยคนี้ประโยคใหม่มารอไว้แล้วโดยไม่ต้องใช้ความคิดอันนี้คือหลักการฝึกสมองสมองคนเรามันฝึกได้แต่พอมานั่งสมาธิจะบังคับแต่ให้มันหยุดนิ่งๆ น, นั่นแหละคือการทำลายมันสมองของตัวเองเวลามันคิดปล่อยให้มันคิด แต่ว่าเราต้องมีสติรู้ตัวเวลามันหยุดก็มีสติรู้ว่ามันหยุดจิตเวลามันหยุดนิ่งอยู่นิ่งนิ่งเฉยเฉยมันต้องการพักผ่อนถ้าเวลามันคิดมันต้องการทำงานเวลาจิตจะทำงานเราไปห้ามไปสกัดมันไว้ไม่ให้มันทำงานมันก็เหมือนร่างกายไม่ได้ออกกำลังกาย